ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่ง้สิบสองเรื่องอาชครัปเปตภาคที่ห้าเรื่องที่หกของวรรคที่สิบทันทวัควรรณน า, นาข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารบอาชครปเปตตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอาทป่าปานิจรมานิเป็นต้น ตอนพระมหาโมคลานะเห็นเปรต ถ, ถูกไฟไหม้ความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งพระมหาโมคลานะเทระกับพระลักษณะเทระลงจากเขาคิชกูรได้เห็นสัตว์ชื่ออชัครเปรตประมาณ25ห้าโยดด้วยจักสุทิพเปรียวไฟตั้งขึ้นแต่ศีรษะของเปรตนั้นล่ามถึงหาง ตั้งขึ้นแต่หางลามถึงศีรษะตั้งขึ้นแต่ข้างทั้งสองไปรวมอยู่ที่กลางตัวตอนเล่าการเห็นเปรตให้พระลักษณะเถระฟังพระเถระครั้นเห็นเปรตนั้นแล้วจึงยิ้มอันพระลักษณะเถระถามเหตุแห่งการยิ้มแล้วก็ตอบว่าผู้มีอายุ การนี้ไม่ใช่การพยากรณ์ปัญหานี้ท่านค่อยถามผมในสำนักพระศาสดาเถิดเที่ยวบินทบาตในกรุงราชครืในการไปยังสำนักพระศาสดาพระลักษณะเทียระถามแล้วจึงตอบว่าผู้มีอายุผมได้เห็นเปรตตนหนึ่งในที่นั้นอัฐภาพของมันชื่อว่ามีรูปอย่างนี้ ผมครั้นเห็นมันแล้วได้ทำการยิ้มให้ปรากฏก็โดยความคิดเห็นว่าอัตภาพเห็นป่านนี้เราไม่เคยเห็นเลยตอนพระสัสดาก็เคยทรงเห็นเปรตนั้นพระสัสดาเมื่อจะตรัสคำเป็นต้นว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราเป็นผู้มีจักษุหนอ ทรงรับรองถ้อยคำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเปรตนั่นแม้เราก็ได้เห็นแล้วที่โพธิมันทัสฐานเหมือนกันแต่เราไม่พูดเพราะคิดเห็นว่าก็แลชนเหล่าใดไม่พึงเชื่อคำของเราความไม่เชื่อนั้นของคนเหล่านั้นพึงเป็นไปเพื่อหาประโยชน์เกื้อกูลมิได้บัดนี้ เราได้โมคลานนะเป็นพยานแล้วจึงได้พูดอันภิกษุทั้งหลายทูลถามบุรพกรรมของเปรตนั้นแล้วจึงทรงพยากรณ์ดังต่อไปนี้ว่าตอนบุรพกรรมของอชัคระเปรต ด, ดังได้ยินมาในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากศพเศรษฐีชื่อว่าสุมังคละ ปูที่พื้นด้วยแผ่นอิดทองคำให้สร้างวิหารในที่ประมาณ20บอุสภะโดยรั์ประมาณเท่านั้นแล้วก็ให้ทำการฉลองด้วยทรั์ประมาณเท่านั้นเหมือนกันวันหนึ่งท่านเศรษฐีไปสู่สำนักพระศัสดาแต่เช้าตรู่เห็นโจรคนหนึ่งนอนเอาผ้ากาสาวะคลุมร่างตลอดถึงศีรษะทั้งมีเท้าเพื่อนโคลอนอยู่ในศาลาหลังหนึ่ง ใกล้ประตูพระนครจึงกล่าวว่าเจ้าคนนี้มีเท้าเปื่อนโคลนคงจะเป็นมนุษย์ที่เที่ยวเต่ในเวลากลางคืนแล้วมานอนตอนกำชั่วให้ผลชั่วโจรเปิดหน้าเห็นเศรษฐีแล้วคิดในใจว่าเอาเถอะนะเราจะรู้กรรมที่ควรทำแก่มันดังนี้แล้วก็ผูกอาคาดไว้ ได้เผานาของเศรษฐีเจ็ครั้งตัดเท้าโคทั้งหลายในอคอกเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้งเขาไม่อาจให้ความแค้นเคืองดับได้แม้ด้วยทารุนกรมมีประมาณเท่านั้นจึงทําการสนิทชิดเชื้อกับคนใช้ของเศรษฐีนั้นแล้วถามว่าอะไรเป็นที่รักของเศรษฐีนายของท่านได้ฟังว่าวัตถุอื่น เป็นที่รักยิ่งของเศรษฐีจากพระกันทักกุฎีย่อมไม่มีคิดว่าเอาละเราจะเผาพระกันทั ก, กุฎีอย่างความแค้นเคืองให้ดับเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้าไปวินทบาทจึงทุบหม้อน้ำสำหรับดื่มและสำหรับใช้ได้จุดไฟที่พระกันทักกุฎีแล้วเศรษฐีได้ทราบว่าข่าวว่า พระคันธกุฎีถูกไฟไหม้เดินมาอยู่ในเวลาพระคันธกุฎีถูกไฟไหม้แล้วจึงมาถึงและดูพระคันธกุฎีที่ไฟไหม้ก็ไม่ได้ทำความเสียใจแม้สักเท่าปลายขนสายคูแขนข้างซ้ายเข้ามาปรบด้วยมือข้างขวาอย่างขนานใหญ่ขณนะ น, นั้นประชาชนยืนอยู่ณที่ใกล้ถามท่านเศรษฐีว่า นายขอรับเพราะเหตุไรท่านจึงปรบมือในเวลาที่พระคันธกุฎีซึ่งท่านสละทรัพย์ประมาณเท่านี้สร้างไว้ถูกไฟไหม้เล่าเศรษฐีตอบว่าพ่อแม่ทั้งหลายข้าพเจ้าทำกรรมประมาณเท่านี้เชื่อว่าได้ฝังทรัพย์ไว้ในพระศาสนาที่ไม่สาธารณะแก่อันตรายมีไฟเป็นต้นข้าพเจ้าจึงมีใจยินดี ปรบมือด้วยคิดว่าเราจะได้สลัดซับประมาณเท่านี้สร้างพระกันทกุฎีถวายพระสาสดาแม้อีกท่านเศรษฐีสลัดซับประมาณเท่านั้นสร้างพระคันทากุฎีอีกไดถวายแดดพระสาสดาซึ่งมีภิกษุสองหมื่นรูปเป็นบริวารจนเห็นกิริยานั้นแล้วคิดว่าเราไม่ฆ่าเศรษฐีนี้เสีย จกไม่อาจทำให้เกอ้อเขินได้เอาเถอะเราจะฆ่ามันเสียดังนี้แล้วจึงซ่อนกริดไว้ในระหว่างผ้านุง่งแม้เดินเต่อยู่ในวิหารสิ้นเจ็วันก็ไม่ได้โอกาสฝ่ายมหาเศรษฐีถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้นเจ็ดวันถวายบังคมพระศาสดาแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่งเผานาของข้าพระองค์7ดครั้งตัดเท้าโคในคอกเจ็ดครั้งเผาเรือนเจ็ดครั้งบัดนี้แม้พระกันทากุดีก็จะเป็นเจ้าคนนั้นแหละเผาข้าพระองค์ขอให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เขาก่อนตอนผู้ทำกรรมดีย่อมชนะผู้ทำกรรมชั่ว โจนได้ยินคำนั้นระทมทุกว่าเราทำกรรมอันหนักหนอเมื่อเป็นอย่างนั้นบุรุษนี้ก็ไม่ได้มีแม้สักว่าความแค้นเคืองในเราผู้ทําผิดยังกลับให้ส่วนบุญในทานนี้แก่เราก่อนเสียด้วยเราคิดประทุษร้ายในบุรุษนี้ไม่สมควรเลยแม้เทวทันพึ่งตกลงบนกระหม่อมของเรา ผู้ไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้อดโทษให้ดังนี้แล้วจึงไปมอบลงที่ใกล้เท้าของเศรษฐีกล่าวว่านายขอรับขอท่านจงกรุณาอดโทษแก่ผมเถิดเมื่อเศรษฐีกล่าวว่าอะไรกันนี่จึงเรียนว่านายขอรับผมได้ทำกรรมประมาณเท่านี้เท่านี้ขอท่านจงอดโทษนั้นแก่ผมเถิด ที่นั้นเศรษฐีถามกรรมทุกๆอย่างกับเขาว่าเจ้าทำกรรมนี้ด้วยนี้ด้วยประมาณเท่านี้แกเราหรือเมื่อเขาสารภาพว่าขอรับผมทําต่อไปว่าเราไม่เคยเห็นเจ้าเลยเหตุไรเจ้าจึงโกรธได้ทําอย่างนั้นแกเราเขาเตือนให้เศรษฐีระลึกถึงคําที่ตนผู้ออกจากพระนครในวันหนึ่ง พูดแล้วได้บอกว่าผมเกิดความแค้นเคืองขึ้นเพราะเหตุนี้เศรษฐีระลึกถึงภาวะแห่งถ้อยคำที่ตนพูดได้แล้วให้โจนอดโทษให้ด้วยถ้อยคำว่าเออพ่อเราพูดจริงเจ้าจงอดโทษข้อนั้นแกเราเถิดแล้วกล่าวว่าลุกขึ้นเถิดเราอดโทษให้เกีเจ้าเจ้าจงไปเถิดโจน นายขอรับถ้าท่านอดโทษแก่ผมใช้ขอจงทําผมพร้อมทั้งบุตรและภรรยาให้เป็นทาสในเรือนของท่านเถิดเศรษฐีแน่พ่อเมื่อเรากล่าวคามีประมาณเท่านี้เจ้าก็ได้ทำการตัดเห็นป่านนี้เราไม่อาจจะกล่าวอะไรอะไรกับเจ้าผู้อยู่ในเรือนได้เลยเราไม่มีกิจเกี่ยวด้วยเจ้าผู้จะอยู่ในเรือน เราอดโทษให้เก่ยเจ้าไปเถิดพ่อโจรครั้นทากรรมนั้นแล้วในการสิ้นอายุบังเกิดแล้วในเอเวจีไม่ในเอเวจีสิ้นกาลนานในการบัดนี้เกิดเป็นอชคระเปรตถูกไฟไหม้อยู่ที่เขาคิจกูด้วยวิบากที่ยังเหลือประศาสดาครั้นตรัสบรุรพกรรมของเปรตนั้น อย่างนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาคนผ่านทำกรรมลามุกอยู่ย่อมไม่รู้แต่ภายหลังเร่าร้อนอยู่เพราะกรรมอันตนทำแล้วย่อมเป็นเช่นกับไฟไม่ป่าด้วยตนของตนเองดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่า อาทะปา ป, า, ปานิกัมมานิกรังบาโลนบุชติเซหิกัมเมหิดุมเมโทอักกิดันโทวตัตปฏิติอันคนผ่านทำกรรมทั้งหลายอลามกอยู่ย่อมไม่รู้สึกบุคคลมีปัญญาสามย่อมเดือดร้อนดุดถูกไฟไหมเพราะกรรมของตนเองแก้อัด เบนดาบทเหล่านั้นบทว่าอาทะป่าป่านี้ความว่าคนผ่านหาใช่ทำบาปทั้งหลายด้วยสามารถแห่งความโกรธอย่างเดียวไม่แม้ทำอยู่ก็ไม่รู้สึกแต่เมื่อทำบาปอยู่จะชื่อว่าไม่รู้ว่าเราทำบาปย่อมไม่มีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าย่อมไม่รู้เพราะความไม่รู้ว่า ผลของกรรมนี้มีชื่อเห็นป่านนี้บทว่าเซหิความว่าเพราะกรรมอันเป็นของตนเหล่านั้นบทว่าดมเมโทความว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามเกิดในนรกย่อมเดือดร้อนเหมือนถูกไฟไหม้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นทั้งนี้แลเรื่องอาชะคระเปลตจบ